โอกาสครับพอดีเ<อ>มื่อวานเป็นวันเกิดลูกชายก็<อ> ว, วันนี้จะให้มาท่องพระสูตรท่องพระสูต ร, ะตระตละอากี่ขวบละสิบขวบครับสิบขวบอลองสักหนึ่งพระสูตงงรนะฉลองวันเกิดด้วยการสาธยายธรรมพระาศาสดา ไ oh, ปเลยปฐมทาหน้าสองครับ uh huh. ผู้ชี้คุมทรัพย์ uh huh. อานอนท์เรา uh huh. ไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานอนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุด อนอนเราจะชีโช้โทษชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมักผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆดที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าผู้นั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรับล่ะควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหาบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีเร็วเลยอ่าเยียมมากต้องจำแม่นๆนะอ่าจำไม่ได้นานๆทวนเรื่อยๆอจะได้เป็นผู้มีความอดทนต่อการทำความดีนะอืมใครเขาว่ากล่าวเราก็ดีนั่นแหละผู้ชี้ขุมทรัพย์นะ อ่าฮะเชนอ่นาฮะไปมาักขอพระอาจารย์ไปแล้วว่าจะเข้าั่ที่็ตเดี๋ยวอ๋ออ่าฮะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพบกับพระสมศักดิ์ได้นะอ่านี่สงการเข้าพรรษาก็ ก็ถ้าจำพรรษาหลังก็ได้มีเข้าพรรษาแรกกับเข้าพรรษาหลังเลื่อนจากเข้าพรรษาแรกไปอีก1เดือนจะเป็นเข้าพรรษาหลังก็ไปปรนนธาเข้าพัรษาหลังแล้วถ้าออกก็คือออกเลื่อนไปอีกหเดือนนะให้ครบ90้าสิบวันนะสาเดือนก็จะได้นิสงการจําพรรษาไปบอกกระเรียบกับพระสมศักดิ์ได้นะนะ เชิญโยมข้างหลังเนาะเรื่องการสร้างบุญกับการสร้างบารมีต่างกันการสร้างบุญเหรอกับการกับการสร้างอะไรนะบารมีบารมีเหรออ๋อแล้ววิธีการสร้างสร้างบุญกับสร้างบารมีว่าต่างกันยังไงอย่างเนี้เหรออ๋อแล้ววิธีการสร้างวิธีการสร้างนะ ยมถวายทานก็เป็นบุญนะยมรักษาศีลก็เป็นบุญเกิดบุญละนะนั่งสมาธิก็เกิดบุญเหมือนกันนะเกิดความเป็นกุศลขึ้นมานะอันนี้ยมสั่งสมสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยก็เรียกว่าสั่งสมาบารามีคือความดีที่ทำมากมากมากๆไปเรื่อย เป็นการได้สั่งสมสิ่งที่ดีงามก็จะเกิดอนุสัยคือความเคยชินเกิดความคุ้นเคยจิตจะคุ้นเคยกับความเป็นกุศลสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลกรรมเป็นเผ่าพันกรรมกรรมเป็นทายาทกรรมเปรบเหมือนผืนนาที่มเมล็ดพืชเนี่ยตกลงไปแล้วก็ดูดเอาแร่ธาตุในผืนนานั้น ซึ่งพื้นนาจะมี3ระดับเป็นพื้นนาที่เป็นมหาพุทธธาตุสี่นะที่เป็นกรรมธาตุที่เป็นรูปธาตุที่เป็นอรูปธาตุก็แล้วแต่วิญญาณขันหรือจิตเราเนี่ยตกลงไปในผื้นนาที่เลวหรือปานกลางหรือดีนะอย่างที่เราได้ร่างกายอัตภาพนี้ก็เป็นพื้นนาเลวนะเป็นมหาพุทธธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะเป็นของหยาบพวกได้กายที่สําเร็จด้วยใจ ใจเนลมิตได้ก็เป็นผืนนาปานกลางนะ <c oughs> ผืนนาดีนะผืนนาขั้นละเอียดก็คือพวกที่ได้อัตราที่เป็นอรูปนะไม่ประกอบด้วยรูปนะพวกที่ได้สมาธิตั้งแต่อาการสารนันจายตนะขึ้นไปนะอันนี้ก็ล้วนเป็นความดีเป็นกุศลดังนั้นนะที่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยก็ สั่งสมไปก็จะเป็นบารมีของเราทีนี้ในพุทศาสนานับถือถือเรื่องกรรมกรรมนี่ล้างบาปกันไม่ได้กรรมเป็นของตัวเองนับถือเรื่องกรรมกรรมอะไรนะโยมนะกรรมนี่จะต้องอ่าล้างล้างไม่ได้นะกรรมกรรมชั่วจะต้องกล้ามาสนองกรรมดีกรรมชั่วล้างไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้เหรอพระเจ้าสอนวิธีดับไม่เหลือแห่งกรรม ที่ว่าเวลาโซดาบันนะฮะในระยะต้นโซดาบันจะจะเกิดอีกชาติอีกเจ็ดชาติใชโซดาบันจะเกิดอีกเจ็ดชาติแล้วจะได้เป็นพระราหนแล้ว อ, อาคานามีอาณาคามีชาติเดียวนะแต่ที่นี้คนจะนิพานได้เนี่ยทุกทุกนาทีที่ที่ ท, ที่มีการเลถึงได้ ถ้าเปเป็นถาวรมันก็เป็นเป็นนิพานไปเลยนิพานนี่ถ้าเผื่อถ้าถ้าถ้าเผื่อตัดต้องต้องรู้แต่ติดแบบแต่ติดแบบะผมจะบาดนะว่าเรื่องมันมันมีมีเหตุมีผลอฮมีเหตุมีผลแล้วทีนี้ถ้าเผื่การสนองกลับมาในชาติท้ายนะฮะ ชาติเดียวเนี่ยจะจะเอากำกำดีเนี่ยจะจะกำชั่วจะหมดไปกำดีจะจะเกิคือกรำดีกำชั่วมันมั น, ด ช, นด ช, ชดใช้กันยังไงคะกรำดีกำชั่วชดใช้กันยังไงพระศาสดาสอนกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมพระศาสดาบอกกรรมด ำ, ม, ำมีวิบากดำมีนะกรรมขาวมีวิบากขาวมี กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวมีและกรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีนะพระศาสดามาสอนตัวนี้ตัวที่4คือกรรมไม่ดําไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคืออริยมัสมีองแปดนะนั้นถ้าโยมปฏิบัติมัสมีองแปดโยมจะสามารถสิ้นกรรมได้ดับกรรมได้ คือประพฤติปฏิบัติกายอย่างนี้วาจาอย่างนี้จิตอย่างนี้นะประพฤติกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามประพฤติวาจาไม่พูดโกหกคาหยาบเพื่อเจ้อส่อเสียดประพฤติทางจิตน ะ, จะเจริญสัมมาสังปาปปะทิ้งอกุศลจเจริญสัมมาทิฏฐิคอยเห็นการเกิดการดับน ะ, จะเจริญสมาธิให้จิตตั้งมั่นละอกุศลให้ได้อย่างเนี้ยประพฤติ กายวาจาจิตอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเรายมจะเห็นสัจจะความจริงว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่เรากรรมก็ไม่ใช่เราผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับกรรมก็ไม่มีนะไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับกรรมนะเป็นเพียงเราเนี่ยเข้าใจผิดนะเข้ามาหลงใน <c oughs> ธรรมชาติเหล่านี้นะเป็นเหตุให้เกิดกรรมขึ้น ก็ต้องทำความเข้าใจกับขัน5ทั้ง5ธรรมชาติเหล่านี้ให้ถูกต้องด้วยการมาเจริญมรรคหรือสินสมาธิปัญญานะกรรมที่ทำตรงนี้นะจะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมระบบของกรรมเนี่ยคือตัวขัน5ตอนนี้โยมยังเป็นขัน5คิดว่าขัน5เป็นเราตราบใดโยมประพฤติปฏิบัติตามมรรคแล้ว เห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยไม่ใช่เรากรรมก็ไม่มีนะกรรมก็สิ้นไปได้นะนักนมรรคง่ายๆก็คืออยู่กับลมหายใ จ, จเนนาาจริญอาณาปานเจริญอาณาปานสติมรรคครบนะเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาในตัวเสร็จนะด้วยการเอาจิตรู้ลมหายใจอย่างเดียวสามารถทำนิพพานให้แจ้งได้ มันรู้ลมหายใจเรื่อยๆผู้ใดกระทำให้มากจเจริลให้มากนะผลที่หวังได้สองอย่างคือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีในปัจจุบันนี้นะมักมีองคอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆเนาะแล้วคอยรักความเพลินอย่าให้จิตคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับลมหายใจให้มาก ดีจะจะหมดไปด้วยกรรมกรรมไม่ดีจะจะตามไม่ทันนะคือมันจะหมดไปทั้งกรรมดีทั้งทั้งกรรมไม่ดีกรรมดีกรรมไม่ดีมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละโยมแต่เราไม่ไปยึดมันเป็นเจ้าของไม่ยึดมาเป็นตัวเราของเรานคนที่ทํากรรมดีไม่ดีก็คือตัวขันห่านะแต่พอเรารู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราก็ไม่มีดีไม่มีไม่ดีนะ สิ่งที่ทำมาแล้วก็คือหมดไปจบไปเราออกจากระบบอันนี้นะ กรรมมีเพราะว่าเรายึดขัน5เขันหเนี่ยเป็นระบบของกรรมกรรมคือตัวสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้สีทธาตุนี้ถ้าสี่ธาตุนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรากรรมก็ไม่มีกรรมก็ดับสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วไปมันอยู่คนละระบบกันระบบสมมติมีขัน5มีระบบของกรรม กรรมมีจริงภายใต้ขันห้าระบบสมมติวิมุตไม่มีกรรมถ้าวิมุตมีกรรมมีขันห้ า, าพระาราหันก็ต้องมานั่งรับกรรมต่อสิใช่ไหมนะมันอยู่คนละส่วนกันรู้ลมหายใจเรื่อยๆอย่งง่ายที่สุด พุทธเจ้าบอกให้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนะมีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรให้จเจริญสติปัฏฐาน4 ส, สติปัฏฐาน4พระศาสดาอธิบายโดยลายโดยอานาปานาสติรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้นเองโยมต้องรู้ลมหายใจจนทั้งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะเอาจิตเกาะกับกายไว้นะจนกายแตกทําลายเลย อย่าให้จิตไปสร้างอัตภาพใหม่อย่าให้จิตไปสร้างการเกิดสร้างการเกิดปั๊บละความเพลินกลับมาอยู่กับกายหลักการแค่นี้นะจำไว้สั้นๆแค่นี้แหละนะพรุทธเจ้าบอกชนเหล่าใดบริโภคกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะ ราดบใดที่โยมยังเอาจิตอยู่กับกายโยมกำลังจะได้อมะตะคือความไม่ตายแล้วจำคำสั้นๆของพระศาสดาไว้แล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นแค่นั้น ดีนะไม่ร้อนวันนี้อาจารย์คะในยะหนึ่งของโสดาบันนะคะที่ว่าเห็นสิ่งปฏิกูลว่าไม่เป็นปฏิกูล อ, อันนี้ยังพอทำได้คะ่ะแต่ ให้เห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกู ล, กลจะทํำยังไงคะให้มันให้รู <g ülme> ้สึกได้จริงๆเหมือนกับเราเห็นอาหารที่เขาทํามาอย่างดีอย่างเนี้ยเราก็พิณาให้เป็นของบูตรเน่านะอาหารที่เราทานเราก็พิณาเป็นอุจจาระปัสสาวะไปล้วอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลตอนนี้เวลาเห็นแล้วมัน จะเพลิดไปกับอาหารที่อร่อยมันจะลืมที่จะพิจารณาอ่าก็อย่างน้อยไปหยุดตอนที่ที่ก่อนกระเพาะเต็มนะคุูอเจาบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยนะเราทานของอร่อยก็ทานได้แต่ทานพอดีโภชนเน ม, มัตตัญยุตาแปลว่าบริโภคแต่พอดีนะ เมื่อเช้าพระอาจารย์พูดถึงบุรุษผู้พึงจะได้รับการสร้างเจดีย์แล้วใครจะเป็นคนพิจารณาว่าใครสมควรได้รับไม่มีเลยก็นอกจากที่พู้เจ้าพยากรไว้ในครั้งพุทธกาลใช่ไหมก็จะรู้ว่าใครเป็นพระหลานบ้างตามการพยากรของพระศาสดา แต่ปัจจุบันนี้ก็ได้รับการสร้างเจดีกันเยอจากนั้นมาแล้วก็ไม่ไม่มีใครพยากรใครได้และนอกจากตัวแต่ละท่านเนี่ยพยากรตนเองอย่างนีน้ก็เลยแทบแทบจะเหมือนจะไม่มีอะเนาะก็จะมีแต่ของเดิมเจดีของเดิมมาได้อยู่ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใหเ้เครื่องวัดสอบใดๆไว้ตรวจสอบคนอื่นนะมีเครื่องวัดสอบให้ตรวจสอบตนเองดูในจิตตนเองว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้เนี่ยพระหลานนะมีเครื่องวัดสอบความเป็นพระหลานแต่ไม่มีเครื่องมือสําหรับไปชีค้คนอื่นว่าคนนี้เป็นพระหลานหรือเปล่า รนั้นที่ชี้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ก็ประเมินกันเองนะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นพระสารีบุตรก็ยังประเมินแค่ว่าเออท่านไม่ใช่พระธรรมดานะแต่ก็ยังฟันธงไม่ได้รู้แต่แค่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะรู้แค่นั้นก็ก็น่าจะพอนะแล้วถ้าถามความเห็นเนี่ย ตรงตามที่พระศาสดาบัญญัติก็ถือว่าผู้เจ้าก็ให้กล่าวว่าสาธุนะก็ได้พบเพื่อนประพุติปรมจันทรย์ผู้ได้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วนะวันสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะปรินิพานแล้วก็เข้าตั้งแต่ยานชาญหนึ่งจนกระทั่งถึงชาญสุดท้ายาการที่จะปรินิพานจําเป็นจะต้องทําเช่นนั้น ไม่ได้ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าป ร, รินิพานจะต้องทำเช่นนั้นนะแล้วส่วนตรงนี้พระศาสดาก็ก็เหมือนเป็นการการกล่าวของพระอนุลุท ธ, ธาซึ่งซึ่งดูดูอาการจิตของพระศาสดาอย่างนี้ ก็อาจจะเป็นเฉพาะพรพะพุทธเจ้าพระพุทธายุคลหลายท่านก็ไม่สามารถเข้าสมาธิในระดับอารูปได้อาจารย์คะขอโอกาสนะคะในอนาปานาสติที่ที่มีผลมากอะคะ่ะที่พูดถึงทำกายสังขารให้ลำงับจิตสังขารให้ลำงับแล้วก็ตอนสุดท้ายที่บอกว่า เห็นการสลัดคืนอยู่เป็นประจำเนี่ยอยากให้พระอาจารย์อธิบายค่ะว่าว่าเห็นยังไงเห็นการสลัดคืนอะเห็นการสลัดค um ืนเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยที่ไม่เที่ยงจางคลายและดับไปเนี่ยเราจะเกิดความรู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเราก็คือไม่อยากได้น่ะอยากจะปล่อยวางเหมือนเราอยากจะปล่อยวางกันหน้าตรงนี้อยากจะปล่อยแม้แต่มันปล่อยไม่ได้ก็ทาซ้าเห็นไม่เที่ยงจางคลายเกิดดับซ้าอืม แล้วก็ปัญญาก็เกิด ม, มันก็ไม่ใช่เรานะมันก็ไม่ไม่น่ายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็อยากสลัดคืนมีอาการที่อยากจะสลัดคืนทุกครั้งไม่อยากได้อย่างนี้นันก็ต้องสังสมมากณนะจุดหนึ่งที่ที่สลัดคืนโดยเด็ดขาดอย่างนี้อ่านกยมเข้าใช้ผิดนึกว่าสลัดคืนคือการกลับไปเริ่มรู้ลมหายใจใหม่จริงแล้วไม่ใช่เลยใช่ไหมอ๋อไม่ก็คือ คือจะเกิดอาการว่าไม่ไม่อยากได้ว่าเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเราซึ่งมันก็ต้องสั่งสมความรู้สึกตรงนี้ให้มากเข้ามากเข้าขอบพระคุณค่ะนะฮะืนึ่งฮะอ่าใช่ ต้องเห็นโทษของสุขโทษของสุขเนี่ยโทษของมันคือความดับไปนะระหว่างที่มันมันสุขเนี่ยมันไม่มีโทษนะล็อกหันห้าเนี่ยมันจะมีทั้งอัศธ า, าลดอร่อยแล้วก็อาทีนาวาโทษของมันนะโทษของสรรพสิ่งทั้งหมดคือมันเดินไปสู่ความดับเหมือนโทษของอุเบกขาเนี่ยนะก็ไม่มีเลยนอกจากมันดับไปได้ สุกก็เหมือนกันนะสุขก็โทษของมันคือความที่มันแปรปรวนไปได้เปลี่ยนแปลงไปได้ดับไปได้นะไม่คงที่เนี่ยโทษของมันนะก็คือเราต้องคอยดูเวลาเวลาดีใจเรื่องอะไรพอใจเรื่องอะไรแล้วมันดับไปแล้วอย่างเนี้ยเราต้องคอยดูความดับของมันว่าอ่ะมันดับไปแล้วนั่นเนี่ยอ ไปดูหนังมาสนุกก็อ่ผ่านไปแล้วนะสองสามวันสี่วันว น, นะนึกได้แรกแรกอาจจะยังนึกได้และยังสนุกอยู่หลังๆก็เริ่มจืดไปจืดไปกันระลึกได้ครั้งหลังก็ดูเป็นธรรมดาละอย่างเนี้ยทุกอย่างมันก็จะดับไปเป็นเพียงสัญญาจําได้ขึ้นมาแล้วก็จบไป มันก็ยังอยู่ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยละได้เร็วไหมพอเราเห็นโทษอย่างนี้มันเรื่อยๆเวลาสุขเกิดมาครั้งต่อไปเราก็จะเริ่มเฉยๆกับมันมากขึ้นหรือเห็นโทษของมันว่าเออที่สุดมันก็เดินไปสู่ความดับนะตรงเนี้ต้องเห็นมากพอเห็นยังไม่มากเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีผลอะไรเหมือนมันไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ก็คือต้องทนทําไปเรื่อยๆทําไปมากๆมากๆมากๆเนี่ยต่อไปจะเกิดความรู้สึกว่าเออพอสุขเกิดมาอืมก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนาะอย่างเนี้ยอหรือว่าจะเห็นเห็นแล้วว่าเออที่สุดมันก็เดินไปสู่ความดับเราก็จะไม่ไขว้คว้าสุขนี้จนเกินประมาณใช่ไหมอ่าไม่งั้นบางคนเนี่ยพอติดยึดในความสุขจนไม่พิจารณาเห็นโทษนะไปขโมยเขาก็เอา ไปฆ่าเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขก็เอานะเพราะปัฒนานความสุขอันเป็นนามธรรมโดยไม่คำนึงว่าจะเกิดการเบียดเบียนใครหรือไม่อย่างนี้ก็ต้องหมั่นเห็นโทษของความสุขคือความดับไปได้แปลปูนไปได้อะฮะ คนเราตายไปแล้วไปไหนจิตก็ไปสร้างการเกิดต่อไปจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยอวิชาความหลงผู้หลงเนี่ยเข้ามายึดถือจิตตรงนี้นะอ่าเพราะ น, นั้นผู้หลงที่เข้ามายึดถือจิตตรงนี้คิดว่าจิตตรงนี้เป็นตัวเราของเราเมื่อจิตดวงหนึ่งดับก็จะรู้สึกว่าเราตายก็ไขวคว้าจิตดวงใหม่ต่อนะเวลาจิต มันไปเกาะจิตดวงใหม่ที่ไปยึดอารมณ์ใดมันก็จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นเพราะความหลงยังมีความอยากยังมีความพอใจในขันห้ายังมีการเกิดใหม่ก็จะมีพระศาสด า, าจึงบอกตัณหาเป็นเป็นตัวสร้างการเกิดสร้างอัตภาพใหม่ถึงเราไม่อยากจะเกิดแต่เรายังดับความอยากไม่ได้การเกิดก็จะยังมีอยู่ต่อไปตราบใดที่เราดับเหตุได้นั้นะ การเกิดถึงจะไม่มีก็คือต้องดับความพอใจในขันห้าทั้งหมดเลยไม่อยากได้ขันห้าอย่างี้ไปเกิดตรงนั้นเพราะจิตผูกพันกับอะไรนั่นคือวิ ญ, ญญาณเข้าไปตั้งอาศัยตรงนั้นแล้วเพราะศาสดาบอกว่าจิตเราเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใด หรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีคือนามรูปก็จะปรากฏขึ้นเมื่อนามรูปปรากฏขึ้นพพชาติชาลามรณะก็มีขึ้นนะเราก็จะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้นะต้องไมยึดอะไรทั้งหมด การการการเกิดไม่เกิดขึ้นนะครับตรงที่ว่าเพราะตันหามันดนตัวพาให้เกิดตรงนั้นคือเกิดเป็นภพถูกไหมครับอาจารย์แต่ในปฏิจจสมุปบาทก็คือความดับตอนที่ดับเนี่ยตัวที่ดับคือวิราคาใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะจะหลุดพ้นคือตัววิราคาต้องหมดไปก็จะทำให้หลุดพ้นแต่ว่าตัวที่นําเกิดเนี่ยเป็นเป็นตัวตันหา พอทำให้เกิดภพใช่ไหมครับอาจารย์แยกกันอย่างนีู้มครับอาจารย์เพราะตอนแรกผมไม่เข้าใจผิดคิดว่าตัวอวิชาพาเกิดก็คือตัวตัณหาเนี่ยทำให้เกิดเป็นภพใช่ครับอภายใต้พื้นฐานอวิชาานาอวิชาคบคุณครับอาจารย์ครับพยัตครับอ่าอ่า ก็ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องอริยสัจสีที่เชื่อมต่อกับประจิตสมุบาติแล้วก็ละนั้นที่ขออนุญาตครับ อ, อริยสัจสีเนี่ยนะสีตัวเนี่ยทุกสมุทยัยนิโรธมรติจจสมุบาทเนี่ยคือเป็นการอธิบายสมุทัยกับนิโรธ นั้นทะยมท่องสมุททยได้ท่องนิโรธได้ท่องปฏิจจสมุปบาทวงรอบเกิดวงรอบดับได้นั่นแหะเวลาพระเจ้าตรัสอริสสัต4 4สีข้อเนี่ยอย่างละเอียดเนี่ยพระศาสดาจะใส่ปฏิจจสมุปบาทวงรอบเกิดลงไปในสมุททยเหตุเกิดของทุกข์ปกติจะพูดสั้นๆคือตัณหาความอยากแต่ถ้าพูดเต็มก็คือไล่ตั้งแต่อวิชามาเลย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 ภาษามีอะเป็นเหตุสลายนะสลายนะมีอะเป็นเหตุนามรูปนามรูปมีละเป็นเหตุวิญญาณวิญญาณมีละเป็นเหตุอวิชชาทั้งหมดเลยนั่นก็คือเอาทั้งก้อนของปฏิจจ์มาใส่ในสมุทยัยและพอพูดนิโรธข้อที่3ก็เอาทั้งก้อนของปฏิจจวงรอบดับมาใส่ในนิโรธนั่นปฏิจจสมมาตก็คือลําดับขั้นของการเกิดขึ้นแห่งความตาย และลำดับขั้นของการดับไปเห็นความตายชะลามรณะแก่และตายเกิดมาได้ยังไงดับไปได้ยังไงก็คือสมุทัยกับนิโรธซึ่งอยู่ในอริสสัตวนั่นเองนะนั้นอริสสัตวตัวทุกก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดคือขันห่านะคือธรรมชาติใดก็ตามที่แตกสลายได้มีเกิดและมีดับอันนั้นเรียกว่าทุกข์ทั้งหมดนั้นทุกข์ขัตต์เนี่ยกว้างมากไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์อย่างเดียว สุขก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับทุกข์ก็เป็นทุกข์เดินไปสู่ความดับความจําก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์รูปก็เป็นทุกข์เดินไปสู่ความดับทั้งหมดและเหตุเกิดของมันมีไหมมีก็คือปฏิจจาวงรอบเกิดเหตุ ด, ดับของมันมีไหมมีปฏิจจาวงรอบดับก่อนมันจะดับแตกสลายเป็นพ่อลายนะเพราะรนะมีเกิดเกิดมีพ่อลายพ่อมีพบสถานที่เกิดสถานที่เกิดมีพออ่พอลายเพราะอุปทานไปยึด ยึดมีใดมีเพ้ออยากอยากมีเพ้อะายเพอเธอพอใจพอใจมีเพ้อายมันต้มีภาษาก็ไล่ขึ้นไปใหม่อย่างนี้ส่วนมรรคข้อที่4ก็คือวิธีที่จะเข้าถึงนะหรือเข้าไปรู้จักความจริงของธรรมชาติตัวนี้นะและจะพ้นจากธรรมชาติตัวนี้ได้มันเป็นสัจจะของของปลอมนั่นเองอริยสัจสี่คือสัจจะความจริงของสมมติของธรรมชาติทั้ง5คือกันห สัจจะของของปลอมนั่นน่ะของฟังสมมุติคือกันห้ามันจะมีความจริงอย่างนี้คือมีเกิดและมีดับการละนันทิมันเป็นมัควิธีมันก็คืออยู่ในข้อของมัคนะและละนันทิเนี่ยก็ใช้ได้ในทุกจุดของปฏิจจสมบาทเลยนะ ภาษาก็รักความเพลินในภาษาได้เวทนาก็รักความเพลินในเวทนาตัณหาก็รักความเพลินในตัณหาได้อย่างนี้ได้หมด mm hmm. เป็นมรรควิธีที่ครอบคลุมแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่ระบบสมุติถึงบิมุติเลยอ่ ะ, ออออะโสดาบันที่พระอาจารย์เคยบอกว่า <c oughs> มีศีลห้า แล้วก็อไม่ทําวัตถกูตุล่ามงคลคืออันนี้ต้องสองข้ออันนี้คือคุณสมบัติของโซดาบัน uh huh, uh huh. ที่ที่จะได้อย่างหนึง่งแต่วันนั้นผมได้ยินพระอาจารย์บอกว่าท่านโจ้แล้วไงขอท่าขอญาตนะครับท่านบอกว่ามันมีอยู่อั น, น, อ น, นห น, นึ่งอันศี่ห้าเนี่ยอาจจะไม่ครบอ uh huh. แต่ถ้าได้อันนี้แล้วอ่ะ <c oughs> จะได้เป็นโซดาบันเลย uh huh. อันนั้นคืออะไรครับขอญาตครับ คืออีกนัยหนึ่งสินห้าผู้เจ้าไม่พูดเรื่องสุลาพูดเรื่องการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมบวกกับสัมมาวาจาสี่อย่างศินสามข้อแรกนะสินห้านะบวกกับวาจาสี่อย่างที่ไม่ผิดคือไม่พูดโกหกคำหยาเพื่เ อ, อเชิดส่อเสียดแล้วก็บวกกับโสตาประเดยงขั้นสี่เริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันยสสดาบันไม่มีสุลานะ แต่ไปเพิ่มสัมมาวาจาเพิ่มวาจาให้ครบสี่อย่างปกติถ้ามีสินห้ามีข้อสุลาห้ามสุลาสัมมาวาจาไม่ครบมอีอันเดียวคือไม่โกหกนะถ้าไม่โกหกอย่างเดียวไปบวกสุลาด้วยน ะ, อ, ะอย่างนี้นั้นอาจจะยังพูดคำหยาเพื่อจะสอเสียดบ้างน ะ, อ, ะอย่างนี้ นั้นสินห้าบริบูรณ์ไม่หวั่นไหวพระรัตนาตายสองอันบวกกันโสดาบันแต่ถ้ามีเรื่องสุราให้ไปเพิ่มสัมมาวาจาให้ครบสี่อย่างแลกกันไม่ง่ายเหมือนกันนะสัมมาวาจาเนี่ยผมเองก็พยายามที่จะปฏิบัติเรื่องนั่งสมาธิ ทำทุกอย่างที่พระอาจารย์บอก uh huh. ที่ร่กความเปิดก็พยายา ม, ามทําทุกทีนี้ก็มันดูเหมือนว่าเราพยายามอยู่คนเดียวก็ uh huh. อยากจะให้คนรอบข้างอย่างเช่นลูกภรรยาอย่างเงี้ยให้เขาทําด้วยอบอกบางคนลูกบางคนก็ทําบางคนก็ไม่ทำขออนุญาตนะครับมันมีสิ่งจูงใจที่จะอาจารย์มีเทคนิคเรียกว่าผูเจ้าท่านพูด ไ, ไว้ไว่าอย่างไงไม่ว่าควรจะแนะนําเขาอย่างไงให้เขาทําเหมือนเราหรือทําตามเราไปด้วยอย่างนี้ไม่มีแล<ข>้วขออนุญาต ก็ตาถาคตเป็นเพียงผู้บอกกัะโยูนะครับเยอะก็ขยันบอกให้มากมากครับครับนะขยันบอกตามกาลละเพราะว่าพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์นะคนฟังไม่พอใจก็ม um, ีนะทั้งท um> mm ี่เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และมีประโยชน์ครับนะผู้เจ้าบอกถ้าคนฟังก็ไม่พอใจลูกเบื่อเกินพ่อพูดเยอะเกินนะอ่าก็ดูกาละนะเลือกกาลละอีกทีนึ่ง ขอยาดอีกเรื่องเดียวครับแต่ผมแปลกใจอาจารย์นะครับว่าจําพระสูตรได้เยอะแยะอพระอาจารย์มีเทคนิคยังไงครับอาตมาก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่นไม่รู้มันจำได้ไงมันก็จําได้ของมันน ะ, นนอะเออเพื่อจะได้บอกอาญาติโยมว่าตนเองก็อยากทราบว่าจริงๆก็อยากจะจําไม่ได้หมดเหมือนพระอาจารย์นะครับแต่บางทีมัน ท, ทำสมาธิมั่งพระอาตมาอยู่ช่วงอยู่คนเดียวมา กืบสิปีเนี่ยก็มไม่มีอะไรทํานี่ก็เดินจมกรมนั่งสมาธิมันทําให้จําได้ดีมั้งก็ไม่ได้คิดตั้งใจจะจำนะอ่าก็แต่เพียงแต่พอเราอ่านไปเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเราไขควณเราแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเราพยายามไขคูณเอ๊ะมันเป็นยังไงน ะ, ะสงสัยก็พยายามหาหาพระสูตรอื่นมาเป็นคําตอบก็เจออ๋อตรงนี้ตอบตรงนี้อ๋อตรงนี้เชื่อมกับตรงนี้อ๋อ เราเราศึกษาเพื่อความเข้าใจของเราเองเนี่ยมันก็ก็เลยจําได้เองบางอย่างนะครั บ, นะอรบขอบพระคุณมากครับวิญญาณแล้วก็บัญญาติเปัจจัยถึงเกิดนามลูปใช่ไหมคะบาทีพอาจารย์ก็สอนว่าเพราะนารูปเป็นปัจจัยจริงเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดเพราะนารูปตามมีแสงกับฉาค่ะแล้วอย่างเงี้ยมันอธิบายแตกต่างกันยังไงคะ หออมายถึงวิญญาณกับ น, นามรูปเนี่ยทำไมต้องอธิบายด้วยแสงอาาับฉาก็ถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เกิดไม่ได้ไงอืมแต่แต่อันนี้ก็คือมีนามรูปก็มีวิญญาณมีนามรูปใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะเพราะมันเป็นการเกิดที่ต้องอาศัยกันทั้งสองอัน เฉพาะคู่นี้อันเดียวนะยางอื่นมันไม่ไม่ได้อาศัยกันอย่างนี้อันนี้มันอาศัยกันไปอาศัยกันมาพระเจ้าก็เลยต้องมีการอธิบายเป็นกรณีพิเศษสําหรับวิญญาณกับ น, นามรูปให้กระพร้าอนนลด้วยการอุปมาเหมือนกับทาลกที่เกิดในครันแล้วมีวิญญาณก้าวลงหรือไม่ก้าวลงซึ่งก็จะบอกอนนล์ให้อธิบายนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยของอการเกิดวิญญาณคือนามรูปและนามรูปคือวิญญาณ แล้วอุปมาที่สองพระศาสดาก็อุปมาด้วยเรื่องของแสงกับฉากอย่างนี้ที่มีเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกและแสงแดดส่องมาเนี่ยแสงแดดจะปรากฏที่ไหนก็คือปรากฏที่ฝาเรือนฝาเรือนไม่มีแสงแดดปรากฏที่ไหนปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีแสงแดดปรากฏที่ไหนบอกปรากฏที่น้าถ้าน้าไม่มีสาวบกแสงย่อมไม่ปรากฏผู้เจ้าบอกเหมือนกัน วิญญาณจะไม่ปรากฏถ้าน้ำรูปไม่มีน ะ, นะอ่าเขาบอกว่าต้องมีศัระวงพ่อแม่ก็ถึงจะเกิดนูอือึอื อ, อึนั่นเขาอธิบาย ก็เรื่องของเขาไม่ครูพระไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้เรียกผัสสะพระอา้ารย์เรียกว่า<ม>การเกิดของสัตว์ในครันหนึ่งมารดาบิดาอยู่ร่วมกันสองมารดาต้องมีกระดูสามคันทพะต้องเข้าไปตั้งเฉพาะนี่คือเหตุปัจจัยสามอย่างของสัตว์ผู้เกิดในครันเหมือนไหมไม่เหมือนผัสสะก็คนละอย่าง ภาษาเป็นภาษาของใครภาษาของวิญญาณที่เข้าไปกระทบกับนามรูปถึงจะเรียกว่าภาษะองค์ประกอบของภาษาคืออะไร1ต้องมีอายตนาภายในอายตนะภายนอกแล้วมีวิญญาณเข้าไปรู้นั้นถามว่าใครเป็นคนบัญญัติภาษาคนเขียนเข้าบัญญัติภาษาขึ้นมาเองเหรอใช่ไหมอ่ออา อ่ า, า, อาออะอามันก็จิตนั่นแหละปรุงนะอ่าถ้าจิตไม่สั่งกายมันก็ไปไม่ได้นะอ่ า, า ม, อมันไปก็จิตเหมือนเราเดินไปได้ยังไงก็จิตมันสั่งไปนะแต่เขา <c oughs> ขาดการระลึกได้มันอยู่กับนมามธรรมมากนะอืมมาแต่กายน้อยนะ พวกละเมอเนี่ยถ้าถ้ามีสติสัมปชัญญะไม่เป็นหรอกนะถ้าทำสมาธิเรื่อยๆก็ไม่เป็นนะ <c oughs> แก้ได้นั่งสมาธิให้นั่งสมาธิเรื่อยๆนะนะกายจะเคลื่อนไหวได้เนี่ยผู้เจ้าบอกต้องจิตสั่งทั้งนั้นนะต้องจิตมันต้องมีการดำริขึ้นมาก่อน ไม่มีผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติจิตใต้สำนิกมีแต่ขันห้าจิตก็คือจิตจิตก็มีอันเดียวนะใครจะรู้ธรรมธาตุนี้เท่ากับพระพุทธเจ้านะอันนั้นก็บัญญัติกันเองนะขอการคับพระอาจารย์ในในพุทธวจนะในเรื่องของอาหารนะครับในส่วนที่บอกว่าตัวนิวรนเป็นอาหารมิชาซึ่งตรงนี้ผมสงสัยเพราะว่า ถ้าบอกว่านิวรันเป็นอาหารของอวิชาแล้วในชานหนึ่งเนี่ยนิวรันดับอวิช า, าตัดว่านิดอนดับแล้วทําไมาวิชาไม่ดับครับอาจารย์อ้าวก็แค่อาหารมันหมดไปแค่มันผอมลงแค่นั้นน่ะแม้มันยังไม่ตายนะมันหมดอาหารไปหน่อยหนึ่งเ <c oughs> นาะ <c oughs> ขาดอาหารหล่อเลี้ยงก็ถ้าทาให้อาหารหล่อเลี้ยงมันเนี่ยหมดไปมากๆเข้าสิมันก็ตายได้นะโ ย, ยมให้อ ให้อากุศลเนี่ยหมดไปทั้งชีวิตเนี่ยโอ้โหนะสามารถเป็นได้ถึงพระราหันนะนั่นทำไมพวกฤาษีที่เขาเข้าชานะครับก็ตรงนี้เขาก็ตัดอาหารวิชาแล้วทําไมเขาไม่หลุดพ้นนะครับอาจารย์นั่นก็กลับมาใหม่ไอ้จมอ๋อบนวกกลับาใช่ไม่ได้เขาออกจากชานปุ๊บออกจากชานออกจากชานปุ๊บอกุศลก็ยังมีอยู่ก็กลับมาใช่เข้ากลับมีอาหารอ่เลี้ยงใช่ใช่เขาไม่ได้ตัดในเรื่องลงไปเห็นเกิดดับ ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดทุกขนาดจิตนี่อือหืออ่าฮะอือหือ อ่าก็อ่าฮะก็ตรวจเช็คได้ไงทุกคนก็อ้างคำพระพุทธเจ้าอะนะเหมือนในแอปพลิเคชันะมีอยู่อันก็เขียนว่าพุทธวจะนะแต่ไปอ่านแล้วมันไม่ใช่นะเป็นคำที่แต่งขึ้นนะอ่าฮะอ่าฮะ ก็ธรรมดาใช่นั้นอย่างเหมือนกับคำว่าอภิธรรมเนี่ยใช่ไหมก็หัวข้อเหมือนกันแต่ไส้ในไม่เหมือนกันคําว่าอานาปา่าสํานักนี้สอนอนาปาแต่ก็ไปนั่งสอนคําบริกรรมไปสอนว่าเป็นแค่สมถะอะไรอย่างนี้ก็ไปคนละเรื่องอีกโยมก็ต้องมาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับคําพระศาสดาทุกครั้งนะบางทีพูดเหมือนกันในหัวข้อแต่ไส้ในไม่เหมือนกันนะ มันก็ห้ามคนไม่ได้นะคนไม่เข้าใจ <c oughs> อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ <c oughs> ไม่เหมือน สร้างสร้างกุติวิหารมีนสิสงมากกว่าเป็นร้อยเท่านะร้อยเท่าของให้ทานกับพระราหน์ด้วยน ะ, ะสร้างกุติครั้งเดียวเนี่ยมากกว่าร้อยเท่าของการให้ทานกับพระลาหาน์นะแต่รักษาศีลครั้งเดียวก็มากกว่าร้อยเท่าของการสร้างกุติร <laughs> ักษาศีลครั้งนึงแล้ว อ่าฮะอ่าฮะสูงกว่าช่ใช่ใช่นะส่วนนั่งสมาธิก็ร้อยเท่าของการรักษาศีลถ้าเทียบเนี่ยพูะเจ้าก็ จะต้องเทียบไปในเรื่องของบุคคลผู้หาได้ยากในโลก3อย่างผู้ที่ประกาศธรรมพระตถาคตกัลลานต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมะพระเจ้าผู้มีความกระตันอยู่กตะเวทีหาได้ยากในโลกผู้เจ้าบอกยมเทียบชั้นกับผู้เจ้าเลยนะ น, ยนะอ่าคือกระจายคําพระศาสดาประกาศคําพระตถาคตนะแล้วก็ 5, รัตตนาหาอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมพระตถาคต ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำตถาคตผู้รู้แจ้งในคำตถาคตผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีนี่คือรัตนห้าที่หาได้ยากในโลกนะนั้นเวลาเราประกาศธรรมะพระศาสดาไปทำหนังสือให้ธรรมะไปเนี่ยคนเนี่ยเอาไปอ่านไปศึกษาแล้วเนี่ยเขาเป็นอริบุคคลได้นะโยมเราสร้างให้ดวงจิตดวงจิตหนึ่งซึ่งเป็นปุุชนเนี่ยขึ้นมาเป็นอริบุคคลซึ่งนั่นคือสมประสงค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ต้องการให้ศาสนานดำรงอยู่ช่วยขนหมูสัตว์ให้เข้ามรรคผล น, ผนิพพานนะสิ่งข้อสามนะก็ทั้งหญิงทั้งชายเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยก็คือทั้งหญิงทั้งชายนะก็ผิดได้ทั้งคู่ ตอนนี้กำลังรวบรวมพระสูตรให้มากกว่านี้อยู่น ะ, ะการการแปลเนี่ยมันยังยังมีปัญหาอยู่พบเงื่อนงำเล็กน้อยน ะ, ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือได้ทั้งหญิงทั้งชายและต้องเทียบเคียงพระสูตรอื่นอีกนะทีะ่สอนกับ <c oughs> พวกอุบาสิกานะที่ไม่ให้ไม่ให้ผิดสินห้านะอย่างนี้ นันต้องเอาพระสูตรเหล่านั้นมามาเทียบเคียงให้มากกว่านี้แล้วก็ดูบาลีที่เขาแปลมานะเพราะถ้าดูบาลีที่เขาแปลมาเฉพาะในสิน5้าทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกับว่าฝั่งผู้ชายผิดฝั่งเดียวนะฝั่งผู้หญิงไม่ผิดแต่สินห <c oughs> ้าได้รับการถ่ายทอดบอกสอนกับพวกอุบาสิกาด้วยนะนั่นแสดงว่าก็ อุบาสิกาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะผิดศีลห้านี้ได้ด้วยนะแต่การแปลของศีลห้าที่สอนทั่วไปทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกับว่าบุรุษเนี่ยผิดฝั่งเดียวนะฮะ ไปขอเขาไม่รักษาอ่าอ่าฮะอ๋อาาออ อ, อาา๋อาาอาา่อาฮะก็ไม่ยังไม่เข้าขายนะ ย, ยังไม่เข้าขายยังไม่เข้าขาย <laughs> <laughs> แต่เขาจะหลุดพ้นไม่ได้นะเหมือนกับพระราชามีมีม มีมเหสีมาก น, ะ, นะทุกคนเต็มใจหมดเลยดีหมดน ะ, ะแต่ก็จะหลุดพ้นไม่ได้นะเพราะว่ายังเพลิดเพลินอยู่ในกรรมคุณอย่างเงี้ยมันจะมีมันมีศัพท์อยู่คำานึงนะที่แปลว่ามีผัวหรือมีเจ้าของ น ะ, ะถ้าใช้การแปลว่ามีเจ้าของจะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแต่ศัพท์นั้นเนี่ยเขาจะไปใช้คําว่ามีสามีหรือมีผัวนะเพราะ น, นั้นก็กลายเป็นว่าผู้ชายผิดฝั่งเดียวผู้หญิงไม่ผิดแต่ถ้าแปลโดยใช้การแปลอีกศัพบหนึ่งว่าเป็นผู้เป็นของมีเจ้าของนะก็จะใช้ได้ทั้งสองกรณี อ่าฮะอ่าฮะ่่อ네่าฮะอ่าฮะมอ่าฮะ่าะอ่าฮะอ่าฮะ เราไม่ได้พูดว่าธรรมะนะเราพูดว่าคาตถาคตหนังสือนั้นเป็นคำตถาคตหรือเปล่าเราเราก็าใช่ใช่เรากำลังแจกคำสาวกหรือคำที่แต่งใหม่หรือแจกคำพระพุทธเจ้านะอาตมาก็เคยทำหนังสือสาวกแจกมาหลายปีอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เลิกแจกเพะเรารู้ว่าคาสาวกใช่มีข้อผิดบทสวดก็แต่งขึ้นต้องเยอะต้องแ ย, อายา่อยม นะนั้นต้องกลับมาเช็คหมดเลยบทสวดที่คนแต่งขึ้นนะ่ะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอ่ะบทนี้คนนี้แต่งคนนี้แต่งรู้ตัวต้องเยอะไม่รู้ตัวคนแต่งก็เยอะนะแต่รู้ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่งบัญญัติอย่างนี้อ่าฮะเหลือแต่พุทธว จ, จะนะนั่นคือโยมกำลังประกาศคำตถาคตไม่ได้ประกาศคำคนอื่น เหมือนพระอรหันห์กสิบรูปแรกที่เขาไปทั่วโลกเขาประกาศคำตถาคตนะเขาไม่ได้เอาคำพูดตัวเขาไปประกาศ อ, อย่างนี้แล้วเราจะเป็นหนึ่งในรัตนะห้าที่หาได้ยากในโลกนะ ม, มันต้องปรับใหม่อจอมต้องต้องปรั บ, อ, รบอ่ฮะ <c oughs> <c oughs> นาคามี ่่ใชวด้วยทั้งหมดเอารวมทั้งหมดนะครับอาจารย์ครับทั้งหมดเพราะในสมาธิเราก็ได้รับสุขได้รับทุกข์กันทุกต้องละด้วยใช่ใช่พระอาจารย์ครับสอบถามเรื่องที่ว่ารัตนาห้าด้วยครับอันนี้สงฆ์นี่เป็นยังไงครับพระอาจารย์ถ้าเราอันนี้สงฆ์รับรัตนาห้าอ่อเออ จะมีพระสูตรเหมือนกันนะแต่เป็นพระสูตรใหม่ที่ที่เพิ่งเจอนะก็ยังจําไม่ได้แน่นอนเป็นพระสูตรใหม่นะคือผู้เจ้าจะโยงรัตนห้าไปสู่แก้วแก้วห้าประการแล้วก็โยงต่อไปอีกครับนะอ่าก็จะมีการบอกอนิสสงตรงนี้ไว้คือคือคงจะมีอนุสองถึงอ่าน่าจะได้ถึงมรรคผลทีผ่านโกคงได้ใช่ไหมพี่ชายได้ได้เพราะว่า การประกาศคําตถาคตเนี่ยนอกจากตนเองจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยคนอื่นจะได้ประโยชน์ไปด้วยครนะและการได้ประโยชน์ก็คืออย่างในพระสูตรที่การทรงจําคําพระตถาคตได้ครับแม้จะมีสติหลงลืมทําการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยได้ยินได้ฟังคําศาสดาเนี่ยก็จะสามารถรักสังโยชน์5ได้เป็นอริบุคลได้เชื่อมโยงพระสูตรนี้ได้เลยใช่ใช่ ถึงแม้จะไม่ได้ยินจากพระตถาคตโดยตรงแต่ได้ยินจากสาวกที่นําคําศาสัตมาถ่ายทอดเพราะตัวปฏิหารคือตัวคําพูดตัวคําพูดที่บัญญัติออกมาอย่างเป็นระบบคือตรงนั้นน่ะตัวคําพูดนั่นน่ะคือตัวปฏิหารคือตัวพระพุทธเจ้าครับยแต่คือใช้คําพุทเจ้าก็คือเปรียยนสมรรถนพระเจ้าใช่ใช่รก็ถึงถึงมรรคผลที่ผ่านได้ใช่ใ่ที่สําคัญคือตัวนั้นอนุสาสนีปฏิหาร เป็นปฏิหารที่ว่าสูงสุดแล้วใช่ไหมอาฮะใช่ครับขอบพระคุณครับอะฮะเอ่อมีการให้กคารวะสดมนไหมเหรออืมจะมีบอกพิสุว่าเธอจงเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงส่งไว้ การให้เล่าเรีย น, นให้ทรงไว้ก็มีการสาธยายจะสอนให้ภิกษุเนี่ยสาธยายอยู่แต่บอกว่าอย่าเป็นผู้มากด้วยการสาธยายน ะ, ะก็แสดงว่าให้มีการสาธยายอยู่แต่อย่าสาธยายมากเกินไปนในคารวาสไห ม, มก็จะให้ภิกษุเป็นหลักนะ อาตมาว่าน่าจะมีแต่แต่ไม่ไม่ชัดเจนนะแต่ไม่ชัดเจนคือคือคำคำพูดตรงนั้นเนี่ยไม่ไม่ชัดเจนหรืออย่างน้อยถ้าเราเหมือนกับเราต้องตีตีความพระสูตรนิดนึงอย่างเช่นว่าการรู้ตามซึ่งสัสจธรรม12ขั้นตอนมันจะมีการทรงจำไปด้วยใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ย นั้นการทรงจําก็จะเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัสจธรรม12ขั้นตอนซึ่งใช้ได้กับค า, า, ารวะและก็บรรยายชิตแล้วเรื่องของการที่การสาธยายที่เป็นไปเพื่อวิมุตต์นะผลทางเข้าถึงวิมุตห้าประการนะในข้อที่3เนี่ยเป็นการสาธยายธรรมซึ่งก็ใช้ได้กับทั้งภิกษุและก็ค า, า, ารวะที่จะเป็นเหตุให้เข้าสู่วิมุติ แต่ต้องสาธยายคำาศาสดาต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นอย่างนี้ใช่ซึ่งทำวัตเช้าเย็นผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติบัญญัติสัตชายะคือการสาธยายซึ่งจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะามาเป็นการจัดระเบียบในภายหลังแค่นั้นเองว่าเช้าเย็นนะอา่า เนื้อที่จมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงก็คือผู้ที่ยังอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสยอมยังอยู่กับครอบครัวทำการงานมีอาชีพแล้วจะหลุดพ้นได้อย่างไรพระศาสดาบอกว่าให้เธอเห็นอสสาท่าคือรสอร่อยยมต้องรู้ว่ารสอร่อยของขันห้า ความสุขเป็นยังไงนะรู้จักอาทีนวะนะโทษของมันรู้จักนิสสารนะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันรู้3ามอย่างเนี้ยเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงได้แล้วนะเรียกว่าเป็นเนื้อที่อยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงนอนจมอยู่ในบ่วงเหมือนกันแต่มันพร้อมกระโดดออกนะพอใครมากระตุกบ่วงปุ๊บมันกระโดดออกเลยนะ อันนั้นจะว่าคนที่อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วจะไม่หลุดพ้นก็ไม่ได้นะจะบอกว่าคนที่ลวยราบแล้วจะไม่หลุดพ้นก็ไม่ได้อยู่ที่จิตของเขานะถ้าจิตของเขาเนี่ยรู้ธรรมะสมประการอัสาธาอาธินวะนิสสารนะเขาหลุดพ้นได้นะถ้าเขามีการประรกความเพียรอยู่เรื่อยๆ ทำไมเราจะหลุดพ้นไม่ได้เนา ะ, ะยังฆ่าคนไม่ถึงร้อยเนา ะ, ะต้องหลุดได้ท่านไม่ให้ดูหมิ่นตนเองใครดูหมิ่นตนเองเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเป็นหนึ่งในมานะหพระศาสดาเลีกอตินิปาตะสําคัญตนว่าเลวว่าไม่ดอีอย่าไปคิดว่าตนเองไม่ดี หลุดพ้นไม่ได้ไม่จริ ง, ง, อ, งอ่ฮะอ่าะริงครั้งเหรอแต่มาว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งเจตนาจนสินขาดนั่นเล ทำได้เรื่อยๆใช่ใช่ขอกียรติพระอาจารย์ครับเมื่อก่อนนั้นก่อนที่จะมาเปยิธรรมที่นี่ผมก็เข้าใจว่าการสายธยาธรรมเนี่ยคือการสวดสวดมนต์นะผมเองก็จะสวดมนต์ได้เยอะเออในมนต์พิธีก็สวดได้เยอะเยอะเลยครับก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะในปัจจุบันเนี้ยผมกลับมาเข้าใจว่าการสายธยาธรรมอย่างที่ญาติทำสามปีเนี่ย อผมว่าพระสูตรต่างๆถ้าเราสามารถจะจําได้ก็น่าจะเป็นสาสตร์เธรรมด้วยหรือเปล่าครับอพระสูตรต่างๆอย่างท่องพระสูตรได้เงี้ยเขาตอนเย็นก็นั่งท่องพระสูตรไปได้กี่พระสูตรก็ต้องท่องนั่งนึกไปเรื่อยๆก็เหมือนกับาาาศาสตร์เทวธรรมด้ว ย, ยเพราะว่าในสาสธรรมก็แปลเหมือนกันแต่นั้นไม่มีบาลีแต่เป็นไทยล้วนๆอย่างนี้นนถือว่าเป็นการสวดสาสตร์เธรรมด้วยไหมครับไม่ถึงใช้วาจาพูดมะก็พูดอย่างจวดะสวดใจเสวดหรือหรือนึกในใจเฉยเฉย ออกเสียงเลยครับอ๋อถ้าออกเสียงอะได้นะออแต่ถ้าไม่ออกเสียงมันจะเป็นเรื่องของบัตรจีสังขารเฉยๆออยแต่ถ้าเป็นวาจาเนี่ยน ะ, นะก็ประสมนึกขึ้นอย่างคำของพระองค์เป็นคําซึ่งตรงเป็นคําเดียวกันก็กันนึ ก, กออกสวดเลยใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นการสาธย า, าธ ย, ายาได้อยู่ได้อยู่คือไม่ต้องการรูปแบบไม่ต้องไปนั่งหน้าโบสถ์แต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยนะ อ่าหรือต้องอาบน้ําปรับแป้งเรียบร้อยนั่ ง, งเป็นพิธีการไม่ต้องนะอย่างพระเดินจงกรมก็สาธยายเดินท่องพระสูตรอย่างเนี้ยนะอ่าหรือเดินไปตามเส้นทางก็ท่องพระสูตรได้นะคือเนี้นผมผมผมยพราะญาติทำสาวเมื่อกี้เรื่อง ส, ว ด, สวดเช้าสวดเย็ น, นที่เรียก<า> ส, ว ด, สวดมนต์เย็น ส, ว ด, ส, ว, ดสวดตอนเช้าเนี่นะครับก็เปลี่ยนเป็นเป็นสวดสายพยธรรมนะ แต่ยช้คำ<ช><ช>ก็ไม่จําเป็นต้องสวดเช้าเย็นใช่ใช่ตอนไหนก็สวดก็สวดตัดเรื่องเวลาออกไปก็ได้เหมือนกับเราไปใส่เรื่องของวิปัสนากรรมฐานอย่างเนี้ยนะกรรมฐานเป็นคําที่เติมเข้าไปผู้เจ้าไม่เคยพูดมาประกบกับสมถาวิปัสนาแต่เราตัดสมถาหายไปเหลือวิปัสนาแล้วมีคําผิดเข้าไปคือกรรมฐานนะถ้าจะพูดได้ถูกคือต้องพูดสมถากับวิปัสนาสองอย่างนะเป็นชื่อแทนมักมีองค์8กรรมฐานเน่ยตัดทิ้งออกไปได้ เพราะกรรมฐานเนี่ยโดยพุทธวินะแปลว่าฐานะแห่งการงานแล้วเป็นการงานของฆรวาสแปลว่าการไถ่การค้าการขายไม่เกี่ยวกับการภาวนานีถ้าก็ว่าเราเติมคําผิดขึ้นไปหนึ่งคำแล้วลบคําถูกไปหนึ่งคำเดี๋ยวนี้สํานักจะเหลือสํานักวิปัสสนากรรมฐานเห็นไหมมีถูกหนึ่งคำผิดหนึ่งคำเอามาคู่กันมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วอนที่สองอนที่สองของการสายสียาธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่สวดสายธรมในหนังสือนะสวดเทศรรมพระสวดนี่อา น, นิสงส์เหมือนกันหรือเปล่าเยอะหลายอย่างก็เป็นหนทางเข้าถึงวิมุตต์ได้ไงนะ <c oughs> เป็นหนทางเข้าถึงวิมุตต์ <c oughs> การบรรยายธรรมก็เป็นหนทางเข้าถึงวิมุตต์ปุจจานุาบอกว่าภิกษุแสดงธรรมกับภิกษุได้กันเองก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าเขายังไม่บรรลุภิกษุไม่ได้แสดงธรรมกับภิกษุแต่แสดงธรรมกับฆราวาสก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขนาดแสดงธรรม นะเป็นหนทางเข้าถึงวิมุตตหนึ่งในห้าประการเหมือนกันขอบคุณครับเซียนอื ม, ไ ม, <ค><ย>อมไม่สูงอะ่ะตรงตามพระศาสด า, าบอกแล้วจะตั้งจิตทำอะไรลหละใช่มะ ผู้เจ้าเกิดมาก็เพื่อให้ตั้งจิตให้ถึงนิพพานกระถาวัตถุคําที่ควรพูดคุยก็คือเรื่องวิมุตติอัสนะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ควรคุย10ประการใช่ไหมไม่คุยเรื่องนี้จะคุยเรื่องอะไรนะใช่ไหมถ้าตั้งจิตก็ถูกแล้วแล้วใครคิดว่านิพพานเป็นทุกเนี่ยคนนั้นจะไม่ได้โสดาสกิทาคาราคาพหลนันผู้เจ้าบอกต้องคิดว่านิพพานเนี่ยเป็นสุข ถึงจะปะพติปฏิบัติได้ อ, ไดอ๋อก็ก็ให้เขาหาพุทธพจนะมาสินั่นคุณกําลังพูดเองแล้วพูดให้มันท้อใจให้มันกลัวอย่างเงี้ยออย่างนี้พระหรหันต์ก็เป็นกันไม่ได้ อ, อ่าใช่แล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นพระหรหันต์ แค่คิดก็ไม่ได้เป็นแล้วนะคิดผิดแล้วเนี่ย แล้วนั่นะถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาตักตวงไปนะขยันเนี่ยอ่าอืมอ่าดีดีอ๋อ ต้งต้งล็อบบี้ก่อนต้องล้า ง, ง, งสมองกันนะแล้วก็แจกหนังสือให้ไปอ่านต่อเอา่เอาอ่าอือใช่ตอนนี้ได้ได้ผู้บวชเนี่ยคงไปเป็นกำลังให้เยอะอยู่ ปีที่แล้วก็ร่วม40นะีปีนี้ก็30กว่ า, า, อ, าอ่าพวกนี้กระจายออกไปเนี่ยโอ้ยชักนำคนให้รู้จักพุทธศาสนะได้อีกเยอะนะแล้วพวกนี้ก็มาเป็นกำลังให้นะอ่านะลอยลอยอ่าขออนุญาตอ่กากลับทำไม่ทำให้ละ คือได้ดูพวกสารคดีของทางพุทธศาสนาที่ที่อื่นนะครับอย่างที่เบสหรือว่าที่มองปูเลียเนี่ยซึ่งก็เรื่องของพอดีน่าสนใจตรงที่เขาก็พูดถึงเรื่องของพิธีการที่ที่ทางพระดําเนินการอยู่ที่ทำอยู่ก็จะแตกต่างจากทางเรามาก h แนี้เนี่ยแต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าจะคล้ายๆกันก็คือจะเรื่องของมักมีองคแปดก็มีการพูดถึงพูดถึงอยู่นะครับก็เลยในกรณีรักษณะแบบนี้ด้วยความวิธีปฏิบัติ ที่คิดว่าทางพระที่ปฏิบัติอยู่ทางนู้นนะครับคง uh huh. ไม่ได้ดําเนินตามแนวพุทธวิธีที่ทางทา ง, ทางพระอาจารย์ปฏิบัติอยู่ปัจจุบัน uh huh. แต่เขามีเรื่องของมรรคมิจฉนะครับ uh huh. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเรื่องของอนิพพานเนี่ยทางนู้นจะมีไหมครับ uh huh. เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมก็ <c oughs> อยู่ที่การทําจิตของเขาเนี่ยตรงมรรคแปดไหมนะอันนั้น อันดับหนึ่งนะว่าพูดถึงมักแปจริงแต่ตนเองได้ปฏิบัติมักแปไหมและอย่างที่2ถ้าตามามองแล้วเหมือนกับถ้าอย่างเรื่องพิธีกรรมต่างๆเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าก็มีความเชื่ออย่างนั้นจริงเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมที่ที่ถูกแต่งขึ้นในภายหลังน ะ, ะมันก็อยู่ที่พิธีกรรมเขาคิดว่าไอพิธีนี้จะ ทำให้เกิดอย่างนี้อย่างนี้มันจะไปเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งในเรื่องของกรรมหรือเปล่าว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือสิ่งอื่นบันดาลอย่างเงี้ยเมี่อเราเอาหลักธรรมมาจับไงนะอะแต่ถ้า <c oughs> มันไม่มีพิธีกรรมอะไรที่ที่สอให้เกิดการขัดกันของหลักธรรมเนี่ยก็ก็คงจะไม่เป็นไรนะออื <c oughs> ว่าอย่างยกอย่างเวลาเวลาสวดมนต์เนี่ยก็คือจะมีการตีฉาบไปด้วยซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจอไม่ได้นําไปสู่อ า, อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มองในเรื่องของการการหลุดพ้นถ้าสร้างสมาธิอย่างเดียวก็ไม่เชิงอีกเพราะว่าพระเจ้าบอกเสียงเป็นอุปสรรคต่อปฐมฌานนั้นถ้าการสวดมนต์ไปตีฉาบไปอย่างเนี้ยมันก็ไม่ถูกนะครับนะมันสร้างเสียงซึ่งเสียงเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อปฐมฌาน เนี่ยมันขัดกับหลักธรรมไงอืมอีกคำถามนึงก็คือว่า อ, อ, อย่างตามพระสูตรนี่ก็บอกถ้าเกิดเราเป็นโซลารบัลเนี่ยนะครับ uh huh. อีก7ชาติอัน uh huh. นี้ในในการเกิดในชาติต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยเพื่อจะให้บรรลุพระอรหันต์ได้เนี่ย uh huh. ผู้พิ้งเข้าใจว่าโดยส่วนตัวเข้าใจว่าก็จะต้องเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ที่เอื้อมหน่วยใช่ไหมจากพระสูตรมากๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายว่าถ้าเกิดเราไปเกิดในอย่าง ศา ส, สนาพุทธมีอยู่แพร่หลายก็จริงแต่ว่า uh huh. ถ้าเราไปเกิดที่อินเดียเราอาจจะไม่ได้ํำเนินไปตามเส้นทางเดิมไหมครับอ๋อไม่ไม่อ่ะคือพระโสดาบันนี้เรียกว่ามั่นคงละต่อยอดเองได้ละนะอ่าถึงแม้ว่าจะเกิดในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็น่าจะมีใช่วิธีที่จะไปสู่นิพพานได้ใช่ใช่ขอบคุณครับดูสิขนาดเข้าไปเกิดเป็นเ ท, ว ด, เทวดาเทวดาก็ไม่ได้ไม่ได้มีศาสนาอะไรนี่ ใช่ไหมหนึ่งละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองแล้วจะบรรลุธรรมไม่ต้องฟังใครเลยละลึกถึงบทแห่งธรรมปั๊บบรรลุธรรมได้สองไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมบรรลุธรรมได้เห็นน ะ, ะหรือได้ยินได้ฟังเขาพูดธรรมะเอ้ยละลึกขึ้นได้ไอนิสัยที่ตนเองเคยปฏิบัติมาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยต่อยอดได้ ส่วนใหญ่ทางโน้นจะมีแต่เรื่องการสวดเรื่องพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่นะเนื้อหาด้านการประพฤติธปฏิบัติไม่ค่อยมีก็พูดถึงนิดๆหน่อยๆนะแล้วถ้าดูถึงปฏิปทาการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อเพื่อหลุดพ้นใช่ ถ้าพูดถึงการสวดอีกว่าเอ๊ะเขาสวดสาธยายก็ไม่ได้สาธยายพุทธวจนะไปสาธยายคําแต่งใหม่อีกอาตมาว่ามันหลุดหลายช็อตเหมือนกันนะอ่าหรือว่าเขาเน้นการสวดเนี่ยแต่ถ้าเข้ามาสวดในคําศาสดาเนี่ยยังจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่เขาก็ไปสวดไปสวดในส่วนที่ที่เป็นคําแต่งใหม่เป็นอัตถกาถานะอืมทีนี้ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาสวดเนี่ยจะมีพุทธวจนะเข้าไปมากน้อยแค่ไหน ใช่ใช่ใช่แปลกไปอีกมุมไปเลยอย่างเนี้ยอ่าฮะอ่าใช่ใช่ก็เหมือนกับใบลานของเราก็ ก็ยังมีทั้งส่วนที่เป็นคำพระศาสดาและคำที่แต่งขึ้นใหม่อยู่ในใบาลานนั้นด้วยกันอย่างนี้ก็อยู่ที่ใครใครจะต้องต้องแกะนะทานี้ถ้าใครไปเจอใบาลานในส่วนที่เป็นพุทธวจนะซึ่งเป็นพระสูตรที่บอกว่าคำแต่งใหม่อย่าไปสนใจแล้วเก็บประเด็นนี้ได้อาละทีนี้แหละถึงจะมาเขียคำที่แต่งใหม่ออกใช่ นั้นถ้าไม่เจอพระสูตรนี้ก็ยังไม่มีคำผู้เจ้ายืนยันอย่างเนี้ยก็จะไม่เห็นความสําคัญว่าทําไมจะต้องเขี่ยคําที่ไม่ใช่คำผู้เจ้าออกอย่างเนี้ยก็รู้สึกแต่ว่าคํำผู้เจ้าดีแหละแต่ ค, คําคนอื่นก็ดีเหมือนกันนี่จะคิดอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> และเมื่อ เมื่อไม่ชัดเจนตรงนี้ก็จะไม่ขวนขวายหาต่อไปว่าแล้วผู้เจ้านี่ยดีดีแค่ไหนกันถึงที่จะต้องมาให้ฟังคําพระผู้เจ้าอย่างเดียวใช่ไหมก็จะไม่ขนขวายหาไปถึงความสามารถในการพูดของผู้เจ้าซึ่งพระสูตรเหล่านี้เมื่อกระจายตัวกันอยู่เนี่ยไม่มีความสําคัญอะไรเลยนะแต่พอมาจับรวมกันเป็นกลุ่มก้อนปั๊บจะเป็นปึกแผ่นทันทีจะเห็นเลยว่าผู้เจ้าชี้ว่าจะต้องเป็นคํำผู้เจ้าเท่านั้นอย่างเนี้อ่า จะเกิดความสำคัญขึ้นมาแตนี้พระสูตรเราเนียมันกระจายตัวกันอยู่ในคำพีนั้นคำพีนี้เวลาอยู่เดียวๆ เ, เนี่ยคนสังเกตไม่ออกนะคำพูดเนี่ยคำเดียวกันแต่อัคระเนี่ยก็ไม่เหมือนนะ ก็จะมีการลงอักขระไปไปแล้วแต่ของประเทศนั้นนะที่เท่าที่มีที่เขาบอกเนี่ยก็จะมีอักษรสิงหนผเทวนาครีที่ลบบุรีเพชบูรณ์ก็จะเป็นอักษรปัลวะนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือภาษาบาลีออกมาแล้วคือสำเนียงเดียวกันน ะ, ะแล้วก็เป็นอักขระคอมอักขระสยามอย่างนี้นะ ออตรงนั้นก็ก็มีปัญหาเรื่องนี้ตั้งแต่ในครั้งพุทธการแล้วซึ่งมีแนวคิดอย่างนี้กับภิกษุ ในครั้งพุทธกาลก็เลยอยากให้ผู้เจ้าบัญญัติเป็นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานในยุคนั้นซึ่งผู้เจ้าไม่อนุญาตบอกให้กลับมาใช้ภาษาเดิมภาษาเดิมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรแต่ภาษาเดิมก็คือภาษาที่ผู้เจ้าพูดนั่นเองนะนั้นภาษาที่ผู้เจ้าพูดเนี่ยเราพยายามหาหลายครั้งว่าจะเรียกว่าภาษาอะไรผู้เจ้าก็ไม่ไม่ได้บอกบอกแต่ว่ากลับมาใช้ภาษาเดิม ไม่อนุ ญ, ญาตให้ใช้ภาษาอื่นใครเอาไปใช้ปรับอบัตทุกกฎปรับอบัตของพิสูจน์อย่างเงี้ยนะก็ <c oughs> คงต้องใช้คงคำเดิมของพระศาสดาในคำเดิมเนี่ยจะมีที่พระเจ้าปเปเสนที่โกศลเนี่ยบอกว่าข้าพระองค์เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภักเจ้าก็เป็นชาวโกศล ก็เหมือนกับเป็นภาษาของชาวโกศลถ้าจะพูดว่ามันคือภาษาอะไรนะหรือผู้เจ้าอยู่ในตระกูลสากายะก็เป็นภาษาของตระกูลสากายะนะไม่รู้จะเรียกภาษาอะไรเพราะเวลาจะเรียกเนี่ยควรจะมีคำพระพุทธเจ้าที่พูดเอาไว้บอกไ ว, ว้ว่าอันเนี้ยคือภาษาอันนี้แต่พูุ้ทธเจ้าใช้กลับใช้คำว่าภาษาเดิมนะ ฮะอ่าฮะก็ใช่มันเป็นความยากลำบากตรงนี้นะอ่าฮะอืม ใช่ใช่ภาษาใช่ใช่ใ ช, ชตรงนี้ก็เลยก็มีแนวคิดกันเหมือนกันว่าจะทำสื่อเนี่ยออกไปในภาษาต่างๆนะทะนี้ในแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีต้นมีมีเหมือนต้นศัพท์ที่เก่าที่สุดของประเทศนั้นๆอย่างของเราตอนนี้ก็คือตัวบาลีสยามรัฐที่เป็นอักษรสยาม เพราเลยบาลีสยามรัดขึ้นไปก็จะเป็นอักษรขอมละของรชาชกาลที่หนึ่งเป็นอักษรขอมส่วนอยุธยาสุโขทัยก็ถูกเผาหมดละหาหลักฐานไม่เจอจะไปกระโดดอีกทีก็ไปเจอที่ลบบุรีพเพชบูรณ์อักษรปราละวะอีกเก่าเกินอีก อ, อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้จักแล้วก็หลักฐานไม่ครบถ้วนนั้นเท่าที่ครบถ้วนตอนนี้ก็คือคือตัวนี้ตัวบาลีสยามรัตที่เป็นภาษาบาลีอักษรสยาม ท <c oughs> ีนี้ <c oughs> ก็ต้องกลับไปกลับไปหาภาษาอื่นนะซึ่งถ้าเราจะต้องการแปลเนี่ยต้องพยายามแปลจากตัวเนี้ยเป็นภาษาอื่นให้ใกล้เคียงที่สุดซึ่งกว่าจะได้ความถูกต้องเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกมากระดับนึงอย่างเนี้ยแต่อย่างน้อยมันก็ได้คร่าวๆคร่าวๆระดับนึงน ะ, ะนี่ก็ต้องมีคนสนใจใน กลุ่มประเทศนั้นที่จะมาศึกษาตรงนี้และแปลอย่างจริงจังนะสมมติว่าเราก็ใช้สิ่งที่เขาแปลมาแล้วในระดับหนึ่งก็ได้อย่างเช่นของ b a ล t e c h Society นะแล้วเพียงแต่มาปรับใน a าล t e c h Society ว่าตรงไหนมันมันขาดตกบกพร่องบ้างนั่นนะ่ะต้องมีการช่วยกันเคลียร์อีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องชัดเจนว่า คำอัตกระถาเนี่ยเอาออกไปก่อนเพราะในบาลีเทคก็มีทั้งอัตกถากับพุทธวจนะอย่างเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษอ่าฮะใช่มันก็จะได้กว้างไปอีกอันหนึง่งและอันที่เราพิจะทําก็คือทั้งภาษาอินเดียกับภาษาจีนอย่างเนี้ยอ่าฮะถ้าทำได้อีกสองภาษานี้ก็ไปได้ค่อนโลกนะ ก็ให้ให้พระมีพระที่เป็นภาษาจีนเก่งภาษาจีนอยู่แปลสิบประสูตรอย่างเนี้ยออกมา อ, มอาจารย์ครับขออนุ ญ, ญาตครับ uh huh. หลังจากที่ผมได้เจริญสติครับ uh huh. แล้วก็มันก็จะทำให้เรารับรู้ธรรมชาติที่อยู่ใน ร่างกายของเรานะะีที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเป็นมาก่อนก็ก็ทำแค่รู้ใช่ไหมครับใช่ใช่รับรู้แล้วก็เห็นการเกิดการดับของมันครับรู้อะไรมาทุกเรื่องเนี่ยเอาอริสสสีเข้าไปจับว่าทุกอย่างมีเกิดใช่ไหมมีดับใช่ไหมก็คือไม่ใช่ตัวเราของเรายึดถือไม่ได้น ะ, ะเนี่ยถ้าเอาตัวนี้จับไม่มีหลงนะมันจะเดินตรงตามทางไปเรื่อยๆ รู้แล้วก็ถ้าปล่อยวางได้ก็ถ้ารู้แล้วก็ละไปรับทราบแล้วก็ละไปล ะ, ละไปะไง่ายๆเลยเจอ<ช>แล้วก็ละละละอย่างเดียวละนันทีอย่างเดียวออเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้อย่างนี้การที่จะละได้มันก็ต้องใช้สติแบบเอะเหมือนกันนะใช่ใช่มั น, มนต้องฝืนใจพอสมควรอ่า เดี๋ยวนั่งสมาธิก่อนเลิกไว้นะสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเนาะ ก่อนออกจากสมาธิก็ให้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ตั้งหลาย จากนั้นก็ค่อยๆออกจากสมาธิมาก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิสังสมสุตตะในคาพระตถ า, าคตก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมพระตถ า, าคตมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมากผลนิพพานในนากตการอันใกล้โดยเท่านัากการทุกท่านทุกคนเตอน